เป็นเครื่องรักษากายวาจาและใจแนวไดอรัตนาธรรมเพื่อจะได้ฟังพระสัจธรรมเทศนาเป็นเครื่องสดับสติปัญญาสาธารณพุทธบริษัททั้งหลายฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญของสาธุรนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาจึงมีกิ จ, จกรรม ได้จัดมีการแสดงพระ ธ, ธรรมเทศนาเป็นชมรมของดีโอทีก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลบนยาลาศีที่ได้จัดกิจกรรมอันนี้ขึ้นเพื่อเป็นการจันโรลงพระพุทธศาสนาชักชวนประชาชนผู้สนใจผู้ใคร่ในธรรมเพื่อมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติ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 สำรวจตัวจตาดูจิตของเราเมื่ออยู่ในคำที่เรากำหนดหรือไม่เรากำหนดว่าพุโทโโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธแล้วมันอยู่กับตรงนี้หรือไม่เราก็ต้องดูที่จิตของเราตัวเรานั้นสำคัญที่สุดเราโดยสมมติว่าตัวเราของเราที่จริงแล้วเราไม่มีตัวไม่ใช่ของเรา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 เราก็จะหามีชีวิตยอยู่ได้ไหมฉะนั้นสิ่งสำคัญสังขารอันนี้ล้วนเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราล้วนเป็นของสปกปรกของเน่าของเปื่อยของเหม็นของโสโครกไม่มีอะไรที่สวยที่งามตรงไหนเลยเราเป็นนักปฏิบัติสนใจต้องพิจารณาให้เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้โปร่งเพื่อปรงจิตปรงใจของเราให้ยอมรับในสภาพ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 เพราะความรู้นั้นเป็นสิ่งสําคัญเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในทุกคนมีความรู้เอาความรู้นั้นมาหาทรัพย์ภายนอกคือเรามามีหน้าที่การงานทํานั่นเราก็มาหาทรัพย์ภายนอกอยันทรัพย์ภายในจึงเป็นสิ่งสําคัญเพราะพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเนะสริฐทรัพย์ภายในนี่เราไม่ต้องกลัวเรามีความรู้เท่าไหร่จบมามาก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 นั่นถ้าเราคิดอย่างนั้นนั่นไม่เป็นมูนลลกรรมฐานเรายึดติดในความสวยความงามพระพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาที่เรานุ่งห่มนั่นเพื่อปกปิดอวัยวะร่างกายของเราไม่เกิด ค, ความละอายเพื่อปกป้องความร้อนความหนาวอย่างนี้เป็นต้นเพียะ น, นั้นให้เราพิจารณาดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เราจำเป็นเราจะต้องพึ่งพาอาศัย อาหารเราก็ขาดไม่ได้เพราะเราเกิดมาก็ต้องมีอาหารเป็นเครื่องบำรุงร่างกายของเราเราจึงจะมีชีวิตยอยู่ได้มีเลี้ยวมีแรงเพื่อจะทำหน้าที่การงานในทางสุจริตแล้วก็พิเศษจากนั้นเรายังมีโอกาสที่มาร่วมกันฟังธรรมปฏิบัติธรรมจเจริญสนาธิภาวนาถ้าเราขาดไม่มีอาหารบำรุงร่างกายเราจะมาประพฤติปฏิบัติ เราจะทําอะไรก็คงจะทําไม่ได้เพราะร่างกายอ่อนแอจะไปจะไปไหนมาไหนจะเดินจะเหินมันก็ไม่มีเลี่ยวีแรงที่จะเดินฉะนั้นเราก็จะต้องบํารุงบํารุงนั้นให้อยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาคือสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถ้าทานมากเราจะมานน้ำเพราวานางนี้มันก็คงจะอึดอัดําคาญถ้าน้อยเกินไปจิตใจก็มันโหยมันหิวเพราะว่าอาหารไม่พอ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 สมบูรณ์ตามปกติธรรมดาแล้วก็ตั้งใจบติปฏิบัติจึงได้สำเร็จได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอระหรันตะ์เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักความพอดีว่าอะไรควรอะไรไม่ควรให้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญายี่เป็นสิ่งสำคัญเราเป็นผูุ้ชนคนธรรมดาแต่มีความใคร่มีความสนใจในสัจธรรมคาสอน คือในการประพฤติการบตบัปฏิบัติในการเจริญสมาธิภาวนานที่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญชีวิตของเราครั้งหนึ่งที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราได้พบพระพุทธศาสนาเราจึงนําหลักธรรมคาสอนขององค์วสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติมาปฏิบัติในการเจริญสมาธิภาวนาการกระทําอย่างนี้อยู่ที่ตัวของเราแต่ละท่านแต่ละคนไม่ได้อยู่ที่ผู้พูด อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละจะทำได้ไม่ได้สงบไม่สงบก็อยู่ที่ตัวของเราคือจิตของเรานั่นเองเราต้องทำจิตให้ว่างปล่อยละวางสิ่งต่างๆทั้งหลายให้หมดมาพิจิตติพิจารณาดูสิ่งที่เรากำหนดนั้นให้มีสมาธิคือความตั้งมั่นทำอะไรก็ให้ทำจริงๆจังจตามสติกาลังปัญญาที่เราจะทำได้อนนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเรามีชีวิตเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยคือสถานที่อยู่อาศัยก็เป็นสิ่งสําคัญคือเราจะต้องพักผ่อนร่างกายเราไม่ใช่ว่าจะทําทั้งวันไม่มีเวลาพัก24ชั่วโมงไม่ใช่อย่างนั้นเรามีเวลาทํางานสิบสองชั่วโมงคือเวลากลางวันเธอกลางคืนเมื่อได้เวลาได้พักได้ผ่อนเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นได้พักผ่อนบ้าง เพื่อจะได้ทาหน้าที่ในวันต่อไปดันั้นที่อยู่อาศัยก็จึงเป็นสิ่งสำคัญเรามาหาเอาทีหลังทั้งนั้นเราไม่ได้มีมาก่อนเรามาหาเอาทีหลังลเพราะอาศัยอริยท ร, รัพภายในนั่นแหละมาหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาหาทรัพยภายนอกคือสิ่งต่างๆที่เราใช้ที่เราสอยอยู่ประจำทุกวันนี่เรามาหาเอาทีหลังทั้งนั้นส่วนยารักษาโรคอันนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญ เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ทุกชนิดที่มีลมหายใจก็ต้องพึ่งพาสิ่งนี้คือยารักษาโรคนี้เป็นสิ่งสำคัญไม่มีใครเราที่จะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยจะเป็นมากเป็นน้อยเป็นด้วยกันทุกคนก็ต้องพึ่งยาเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งยาที่สำคัญที่ตรงกับโรคของเราที่เราเป็น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 นี่แหละองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านเห็นอันนี้แหละทำอย่างไรถึงเจ้งไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมันจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นแหละพระองค์จึงสแสวงหาโมกะธรรมคือตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติด้วยพระองค์เองไม่มีครูบาอาจารย์6คนไหนเลยที่จะมาสอนให้ท่านนั้นได้สำเร็จได้พ้นจากทุกข์ได้เป็นพระอรหันต์ไม่มีพระองค์สอนตัวเองปฏิบัติ ด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองทุกอย่างจงเข้าถึงสัจธรรมคือความจริงถ้าไม่เกิดเราก็ไม่ต้องทุกข์ไ ม, ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายเมื่อเราเกิดมาเราก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นจริงนะทุกคนต้องยอมรับถึงเราจะบนอะไรไปก็ตามมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทู่มทำจิตทาใจของเราให้สบายดีกว่า มีหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่อันนั้นเมื่อมีเวลาว่างเด็กจากหน้าที่การงานทางการทางการงานทางบ้านก็ตามเมื่อว่ามีเวลาเราจะมีโอกาสเราจะาไหวพระสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นการทําสมาธิเหมือนกันถึงจะไปในหนังภาวน า, วาไหวพระสวดมนต์ก็ถือว่าทําสมาธิทำจิตใจของเราให้สงบแล้วครับช่วงระยะเวลาหนึ่งแม้แต่เปลียงเปียงเล็กน้อยว่าเราทําบ่อยๆ ท, ทําทุกวันทุกวันทําำนานๆ มันก็เพิ่มทวีคูลขึ้นไปเองจิตใจของเราก็ย่อมสงบจิตใจเราสบายหรือมีโอกาสไหว้พระสวดมนต์เสร็จนงสมาธิภาวนาหนาทีสิบนาทียี่สิบนาทีก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่เวลาที่เรามีที่เราจะทำได้อยู่บ้านหลูกหลานหลับหมดแล้วเรายังไม่ง่วงไม่หลับก็นั่งภาวนามันง่วงก็อ น, นอนภาวนา ก็ไม่ได้มีใครห้ามอะไรในอิรยาบ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเราภาวนาได้แม้แต่เรามาทำงานเราไปยังภาวนาได้ภาวนาด้วยอะไรเพราะเรามีสติมีสัมผชสัญญะสติแฝงกบความระลึกได้สัม พ, ยยพมัสัญญาแฝงวา่าความรู้ตัวว่าเวลานี้ขณะนี้เราทาอะไรเราทำหน้าที่การงานก็ทำได้มีสติสัมผัสัญญะหน้าที่การงานที่เราทำที่เรารับผิดชอบมันก็จะสำเร็จรู้ ล, ล่วงไวได้ดี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 อย่างใดอย่างหนึง่งฉะนั้นศรัทธาญาโจมทั้งหลายเมื่อเรามีโอกาสอย่างนี้เราได้มารวมกันแล้วว่าตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติได้กราบอาราธนาพระสงฆ์ได้มาแสดงธรรมหรือมาให้ธรรม ะ, ะข้อวัดข้อปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจของพวกเราทั้งหลายให้อยู่ใน พุทธคุณในธรรมคุณสังฆคุณคือหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงมาร่วมกันประพฤติปฏิบัตินะครัขอให้ตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติสิ่งที่เราต้องการที่เรามาร่วมกันประพฤติปฏิบัติก็เพื่อให้จิตของเราสงบจากอาสวะกิเลสคือความกิเลสนั้นมันก็มีกิเลสตัวใหญ่ๆอยู่สามตัวโดวยการคือความโรคความโกรธความหลง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 สายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาธที่ให้เรารู้จักพอนั่นเองเดัะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ที่จิตของเราดวงเดียวนี้หลยสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมันอยู่ที่จิตของเร า, าเราทำจิตของเราได้ไหมเราปรับปรุงจิตใจของเราได้ไหมเราไม่ไปยึดไปติดต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ พอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่พอใจในสิ่งที่เราทำอยู่แค่นี้พอแล้วเราอยาไปเห็นคนอื่นเขาดีพาเราเยอะแยะไแล้วแต่อันนี้บุญบา ร, รมีกุศลคุณงามคว า, ามดีไว้ในอดีตที่ได้ทาไวมาเกิดมาก็ได้ประสบความสุขความสำเร็จมีเพียรพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างแต่เราไม่ได้เป็นเหมือนอย่างเขา เราสร้างบุญสร้างบารมีไว้น้อยในอดีตชาติมันก็มาให้ผลเราในปัจจุบันนี่แหละเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพราะเราทำคุณงามความดีไว้ในอดีตเมื่อตายแล้วก็ไม่ต้องไปอบอา ย, ยภูมิไม่ต้องไปตกนรกเราปิดประตูนรกเรามาเกิดเป็นมนุษย์หรืออาจจะคุณทาสะสมคุณงามความดีไว้ ทำไว้ทุกภพทุกชาติที่เกิดมาเมื่อไรก็ทําคุณงามความดีตั้งใจประพุทธปฏิบัติให้ทานลักษาสินเจริญสมาธิภาวนาเรานะจากโลกนี้ไปเราอาจจะไปเกิดเป็นเทพประบุทเทพธิดาเป็นนางป้านางสวรอยู่บนชั้นฟ้านนท์ไม่ต้องมาเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้บาเพ็ญ น, นั่นแหละแต่ว่าถ้าเราไปทาไม่ดีเราก็จะต้อง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 แสวงหาสิ่งนั้นให้กับจิตแต่เวลานี้ขณะนี้เรามาแสวงหาบุญกุศลให้กับจิตคือทำจิตให้เป็นสมาธิทำจิตให้จ้างมั่นให้ปล่อยให้ละให้วางต่อหน้าที่การงานหรือสิ่งต่างๆช่วระยะเวลาหนึ่งมากาหนดดูลมหายใจเข้าของเราหายใจเข้าผู้หายใจออกโทษ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 สิ่งอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอุปสรรคเราต้องทําได้ถ้าเราทําไม่ได้เราจะให้ใครมาทําเราต้องทําให้ได้จะได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรคือเราสะสมคุณงามความดีทีละเล็กทีละน้อยสะสมไ ป, ไปบ่อยๆสะสมไปมันก็มากขึ้นเพิ่มขึ้นวันนี้เราสงบแค่สองนาทีนั่งไปแล้วจิตใจมันพุ่งสั่นไมาสงบคราต่อไปนั่งเอาได้เพิ่มมาอีกเป็นสามนาที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 กูแม่กูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านกับประพฤติปฏิบัติท่านทํามาแล้วเราก็จะได้ทราบประวัติกูแม่กูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติเพราะสมัยก่อนกับปัจจุบันเราเอามาเทียบกันไม่ได้สมัยก่อนกูแม่กูบาอาจารย์นั้นได้ออกเดินทุ้ดงเข้าป่าก็ปาก่ปาจริงๆเดินก็เดินจริงๆไม่ใช่ว่าทุ้ดงนั่งรถไปตุ้ ด, ดงไม่ใช่อย่างนั้นเดินก็เป็นวันวนันเป็นเคียงคืนจะไปกราบกู บ, บาอาจารย์แต่ละที่เดินจากจันทบุรี ไปนน่นขึ้นไปสกลนครเพื่อจะไปกราบหลวงปู่มั่นอย่างเนี้ยหลวงปู่กงมากับหลวงพ่อเวทีอย่างยังเป็นสมณี น, นอยากจะไปกราบหลวงปู่มั่นอืะเกิดศรัทธาความเร่ิมใสก็เดินทางจากจันทบุรีไม่ใช่ของใก ล, ใกล้ๆเพื่อจะไปสกลนครได้เนี่ยไกลแสนไกลไม่มีรถมีลาเหมือนปัจจุบันนี่เราคิดดูกันแล้วกันนะท่านมีความอดทนขนาดไหน มีความเพียรขนาดไหนที่เดินทางด้วยความทุลักทุเลทุรักักกกนดานทุกอย่างเข้าป่าเข้าดงไปเป็นวันๆหาบ้านคนบันทีไม่เจอนั่นแหละท่านตั้งใจประฤติปฏิบัติท่ารรมอย่างจริงจังไม่ท้อแท้แม้จะยากลําบากก็ตามแต่เราทุกวันนี้สบายอยากจะไปกาบผู้มาจานที่ไหนก็มีรถไปอย่างสะดวกสบายไปกราบแล้ว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 ตามสัจธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และคงพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพุทธเจ้านั้นสอนของจริงไม่ได้สอนของเทียมท่านพูดของจริงทั้งนั้นดีสักกว่าดีชั่วสักกว่าชั่วดีก็ให้ประ พ, พฤติปฏิบัติชั่วก็ให้ละให้เว้นให้ปล่อยให้วางเพราะพระองค์ ท, ท, งทรงสอนอย่างนั้นแต่เราจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้อยู่ที่ตัวเราแต่ละท่านแต่ละคนนะเพราะว่าบังคับกันไม่ได้เราต้องบังคับ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 ใจกำหนดจิตพิจารณาอาณาปานสติคือการภาวนาหายใจเข้าออพูดหายใจออกโทพุทธโทพุทธโทจนกว่าจะ <c oughs> หมดเวลาเมื่อถึงเวลาก็จะได้บอกให้เังนั้นการที่ได้ให้ธรรมะคือสัจธรรมคำสอนที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ นำมาถ่ายทอดให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้สดับตาฟังเพื่อเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแล้วนึ่งใดที่เห็นว่าพอเหมาะพอควรที่เราสามารถจะนำไปปฏิบัติได้ก็ให้นำไปประฏิบัติต่อ น, นี้ไปก็จะของดการใช้เสียงให้ทุกท่านตั้งใจภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโถนะจนกว่าจะถึงเวลา